มรณาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยเบื้อตงอต้นจริงๆก็คือต้องให้ได้มหาทานมหาทานข้อหนึ่งกับเขาให้ชัดก่อนใช่ไหมเราต้องคิดให้ได้ก่อนในในบุคคลคนนั้นนะนะเราสามารถเจริญกุศลศีลที่เป็นมหาทานได้ไหม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 บุคคลที่ละการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมลายเป็นที่ตั้งความประมาทงดเว้นจากการดื่มน้ําเมาสุรามเอลายเป็นที่ตั้งความประมาทพิสูจทั้งหลายอริยสาวัก็งดเว้นเนาะชื่อว่าไม่ให้ความไม่มีภัยไหมเราให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแกศรั์หาประมาณไม่ได้เราละตุนข้อนี้ได้ชื่อว่าเราให้เลยนะให้ความไม่ให้ความไม่เบียดเบียนให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยนะ แล้วก็ค้านให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยให้ความไม่เบียดเบียนแก่าสตร์หาประมาณไม่ได้เป็นต้นตามลาดับแล้วเนี่ยย่อมเป็นผู้มีส่วนด้วยนะเนี่ยกรรมเหล่านี้ที่เราก็ทำทั้งหมดเนี่ยมันอุปการะท่านพู้นั้นแหละเราก็จะได้ความไม่มีภัยเราจะได้ความไม่มีเวรเราก็จะได้ความไม่ได้รับความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้อันนี้อันนี้สงไม่น้อยเลยนะหาประมาณไม่ได้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 เป็นเชื้อสายเป็นของเก่าไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งไม่เคยเลยเขาทำกันมาตามลำดับแล้วพวกเราจะไปทิ้งมันไม่ควรถ้างั้นเราจะไม่ได้อยู่ในวงของอริยะอริยะวินัยของพระพู้มีพระเข้าใจใช่ไหมตอนนี้ทำตนให้แข็งแรงเรื่องช่วยคนอื่นง่ายช่วยตัวเองยากยาก ช่วยคนอื่นดูง่ายใช่ไหมแต่ช่วยตนเองเนี่ยยากช่วยให้ได้เบียเศ็จเมื่อช่วยตนเองได้มันจะช่วยคนอื่นง่ายเพราะตนเองช่วยได้แล้วใช่ไหมอย่างนี <driveway> ้ <crossover> เป็นต้นตอนนี้เรายังเกาะเรือมือเดียวอยู่เนี่ยเรือเรือยังเกาะไม่ติด้เรืออยู่ไกลเลยอ่ะ <oso fs> ย, ยังวิ่งไม่ทันเรือเลยเนี่ยเรือก็ไปเรื่อยเงี้ยต้องวิ่งเกาะเรือให้ทันก่อนหรือเปล่าตอนนี้เกาะทันหรือยังยังไม่ค่อยทันขึ้นบนเรือได้ยัง ยังไม่ขึ้นเลยยังขึ้นไม่ได้เลยส้นเภาทองลำนี้ขึ้นไปได้แล้วปลอดภยัยแต่บางคนขึ้นไปแล้วโดดลงมาเนี่ยไม่ดีอีกนะไม่ดีอีกเนี่ยขึ้นได้หรือยังอันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งจักไม่ทอดทิ้งนะจักไม่ถูกทอดทิ้งสมณพรามณ์รู้ว่าไม่ไม่คัดค้านนะพู้รู้เนะี่ย นี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลนำสุขมาให้ให้อารมณ์ที่เลิศ ด, ด้วยเราจะได้รูปที่เลิศได้เสียงที่เลิศได้กลิ่นที่เลิศได้รสได้สัมผัสได้ทำอารมณ์ที่เลิศ <c oughs> จะได้ของที่เลิศนี่เป็นอย่างนี้มีสุขเป็นผลด้วยลำดับแรกก็คือในสุขติและเป็นไปที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเพื่อกกูลเพื่อความสุขนะ นี่เป็นประการที่8ปดฉะนั้นไล่มาตามลำดับนี้เป็นห่วงบุญห่วงกุศลของอริยวงคือวงของพระธรรมยา่าในบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกและบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะได้ดื่มด่ำรสของความสุขเหล่านี้เพราะเขาคิดเป็นใข้ควรเป็นเจริญกุศลเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลเป็ น, นเนี่ยนะเขาฝึกอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทำตอนนี้เกากําลังทํำอลังการละ กิตตรีขาลังเนี่ยเป็นบริขาระของสมถะหรือปรัสนาอยู่นะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะสมถะวิปัสนาเดินไม่ได้เดินยังไงก็เดินไม่ได้ล้มล้มแน่นอนพรุทธเจ้ารับประกันไว้เลยในสูตรเนี้ยคุณล้มคุณจะขึ้นยังไงในพระธรรมคำสอนเนี่ยเอาที่ ถ้าคุณเดินทานกุศลศีลกุศลไม่ได้อย่างนี้นะหกลมไปเถอะต่อให้ไปเข้าห้องกรรมฐานให้ร้อยรอบก็ไปไม่รอดเพราะเพราะทานเอ่ยศีลเออยเนี่ยไม่ฝึกพระเจ้าใช้คำว่าฝึกนะให้สังเกตดูบารีดูพุทธพจน์เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งแล้วจะได้อู้พูดเน่ไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปที่มาใช่ไหม ดูออกมาขยายให้ดูเหมือนจะมาจะไม่ค่อยใช้คัมพีรายละเอียดเพราะต้องใช้เวลาเยอะไงอพอใช้เวลาเยอะก็อทันตะมัทนางทานังอธานังทนังท น, งทนตะทูสกังเป็นต้นใช่ไหมก็คือตรงนี้ก็คือว่าการฝึกจิตซึ่งยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานการไม่ฝึกเป็นเหตุปุถุสลายจิตที่ฝึกแล้วตรงนี้อย่างหนึ่งนะในชั้นของคําว่า ในชั้นคําสอนนะมาจากคําว่าเ อ, อในข้อในในชั้นคําสอนที่ท่านใช้คําว่านี่เนะนี่ยในก็บอกอีทางเมทานังทัทตตังกาลยานังกาลยานอกิติสทนนะัทโธเนี่ยอภุขชั้นตตีติทานังเทตีเนี่ยนะ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 ที่ขณิกายนยมาในอัถฐทานวัตถุวัตถุคือทานวัตถุเหตุแห่งการให้ทานแปดประการนะเนี่ยฉะนั้นการตรงนี้นะในข้อที่แปดท่านใช้คําว่าจิตตารังการาจิตตะปริขารัฐถังทานนางเทติท่านใช้คําว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต ตรงนี้พระเจ้ากระถาจารย์ท่านมาขยายคำว่าจิตตารังการะจิตตปริขารักกัดกลางทานนางเทติบอกว่าบุคคลย่อมให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องประดับนะเป็นเครื่องประดับและปรุงแต่งจิตเนี่ยและเพื่อเป็นบริวารของจิตในไหนในสมถะและวิปัสสนาก็แปลว่าถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกในกรณีตั้งแต่ฝึกจากการให้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 ที่บอกว่าให้ข้าวให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่ผ่านเครื่องน่มเครื่องให้แสงสว่างแก่สมณะพาหมณทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ยสิ่งต่างๆก็มาแยกเป็นหกหกนี่มันฝึกในการวิจัยการฝึกอย่างนี้เขาเรียกทำตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตทุกชิ้นนะ่ะตั้งเป็นโรงงานผลิตกุศลจิตนั่นแหละเขาเรียกฝึกฝึกจิต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 ลองไปดูลักษณะของเจตนาจะชัดนะเจตนานั้นธรรมชาติที่กระตุ้นนะกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนในที่นั้นก็คือชักนำสัมปยุทธธรรมชักนำสัมปยุธธรรมก็คือการที่ว่าจะปรุงแต่งทำให้กุศลทาให้กุศลเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ก็มาพิจารณานะสภาพของเจตนาเนี่ยมาจากคาว่ากระตุ้น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 รถของอารมณ์สัญญาก็จำเวทนะมเป็นต้นสังขารก็ปรุงแต่งทั้งหลายเป็นต้นเจตนาต่างๆก็ทำหน้าที่แล้วก็ศรัทธาทำให้เชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนไตรถ้าถวายเป็นพุทธบูชาเจตนาก็กระตุ้นเหลือกระตุ้นปารบสีผ้าที่มีสีทองนะปารบฉับทันนลังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอำนาจสัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดาทำฉับพันนาลังสีสีทั้งหกใช่ไหม mm hmm. เพราะตัวหัตถเยวัตุเนี่ยผ่องใสดินน้ําไฟลมที่หัตถเยวัตถุอาศัยเกี่ยวข้องก็ผ่องใสด้วยที่สุดจริงๆการัชกายของพระบรมศาสดาทั้งสิ้นก็มีฉับพันนาลังสีสว่างสวัยออกมาจากสีทั้งหกเราเห็นผ้าที่มีสีทองผ่องอันไยน้อมถวายว่า ผวรารกายของพระบรมศาสดามีสีทองผ่องอัมภัยเราจักนำผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาผ้าผืนนี้มีเสียงดังพลึบๆในขณะที่ลมถูกต้องกระทบใช่ไหมมีกลิ่นหอมจากการปละาพรมน้ำหอมเนี่ยนะมีมีโพธิ์พระใช่ไหมแล้วที่อ่อนนุ่ม ร, าารักษาตอนนั้นเราจะทำ ลักษะในที่นั้นก็คือรถของพระธรรมให้สว่างรุ่งเรืองแก่ผู้พบเห็นหให้ธรมารมก็คือความงดงามของผ้าผืนนี้ที่มีการยืดยองเพราะอาโปธาตยืดยองผ้าผืนเนี้ยเราจะปกคลุมภาวรากายของพระบรมศาสดาน้อมบูชาอาสาธรณายานหกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธยายันสิบสี่เวนี้กระทาสิบแปด เวสาลัชยาตีพระทศพลโยยานสิบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพเดินไปปารบในใจเดินไป น, นั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการเดินไปนั้นเาเรียกว่ากายกรรมที่เป็นทานอกุศลไหมพูดไปเราท่านทั้งหลายเชิญมาโมทนาร่วมกันร่วมกันทุกคนมีส่วนได้บุญเท่ากันหมดเลยนะวาจาที่เป็นทานอกุศล ไม่ทํากายและวาจระเคลื่อนไหวไปนิ่งๆไข้ ค, ควรน้อมบูชาด้วยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะถาวายสีเป็นประธานแล้วก็เอาเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์เป็นบริวาร น, นั้นก็เลยกลายเป็นมโนโทานมโนมโนคือที่เป็นทานอกุศลเห็นไหมกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานอกุศลก็ปาราบอย่างเนี้ยฝึกไหม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 อปนาสมาธิเป็นที่ตั้งของอปนาสมาธิได้เลยนี่ประดับอย่างเงี้ยสามารถที่จะออกจากธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อสมาธิแปดประการได้ฉะนั้นมันอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่ข้อมูลทุกอย่างการเจริญกุศลเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าต้องได้ข้อมูลต้องเข้าใจอะแต่มันต้องไม่สเปสะปะนะ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 ที่เป็นน้ําที่เป็นกุศลเนี่ยออกมากมากน้อมมากๆาไข้ควรมากๆแต่เช็ค ด, ด้วยนะเช็ค ด, ด้วยด้วยใช่กุศลไหมไม่ใช่เป็นอกุศลออกมาเพ่นผ่านอีกนี่สาคัญมากตรงนี้อ่ะต้องต้องทําให้เกิดนี่แหละทานเป็นแบบนี้แหละ เอาใครจะถามอะไรอ่ะพอได้ดาาไดที่ยังอาจยก็ทำให้การไข้ครวนต่างๆหยุดชะงักบุญไม่เกิดสภาพใจเสียใช่ไหมสภาพจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เดินไม่เดินต่อนีอาจรย์บ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 อ๋อเราคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเราแยกว่าวัตถุในโลกเนี้ยมีสองชนิดชนิดหนึ่งเป็นวัตถุทานชนิดหนึ่งเป็นวัตถุกรรมใช่ไหมเราแยกว่าอย่างนั้นเลยงั้นก็ไปเขียนเข้าไว้ไปเขียนเข้าไว้แล้วชีวิตของเราก็จะลำบากสับสนเหมือนกันนะแบบเนี้ยนะที่สุดจริงๆก็ไม่พ้นจากการเป็นที่ตั้งของการยึดติดอยู่ดี แล้วก็ออกจากมันไม่ได้เราคิดหเลยว่าเราจะเฝ้ามันได้อีกนานอ๋อกลัวจะเป็นขโมยทรัพย์สมบัติของพระเจ้าอ๋อเออต้องให้ต้องให้ผู้ผู้ถา ม, ถามออเอ้ยใครถามว่ายมพิชยาเออถามใหม่ถามใหม่มหมอ้าวเออเอ้อ เอเอที่อ่าอ๋ อ, อใช่่เออเราได้ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ขาดดีกันเนเอ อ, อคืออย่างนี้นะอืมในกรณีแห่งการที่เราเราเราที่ว่าของถ้าเรามองอย่างนี้ก่อนเนาะ ในกรณีแห่งการที่เรามองมาถึงเริ่มต้นแต่ทีแรกพูดถึงในเรื่องของว่าเราจะมองเป็นวัตถุกลามก็ได้มองเป็นวัตถุฐานก็ได้มันก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์นะมันมันมั น, ม, นมันไม่มากไปกว่า น, นี้หรอกวัตถุทั้งภายในและภายนอกเนี่ยถ้าเราวิจัยหรือพิจารณาให้เข้าใจเสียเนี่ยมันจะมันจะไม่มันจะไม่พ้นจากคือปรมาธรรมนั่นเองแต่ในกรณีที่ชาวโลกนาะชาวโลกที่สมมุติ ชาวโลกที่สมมุติกันขึ้นมาสมมุติกันขึ้นมาเป็นเพชรนินจินดาอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเอาวินิโพคครูปใช่ไหมโดยข้อเท็จจริงก็คือนั่นแหละสภาพของปรมาถ ธ, ธรรมแต่ในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้แยกแยะการศึกษาวัฒธรรมของเราเนี่ยท่องกันได้ทั้งนั้นท่านั่งกันอยู่ไม่เคยมีใครที่ไม่ได้เรียนปรมาถ ธ, ธรรมในท่านั่งเนี่ยเรียนกันมาอย่างล่ําช่ำชองว่างั้นเถอะ ดูเสมอเหมือนหนึ่งว่าเราจะเรียนเอาเป็นเรียนว่าเออจะได้ดูความมหาสจ ร, ร์ในปัญญาของพระผู้มีพระเจ้าเราคิดว่าจะไม่ได้มาใช้อย่างนั้นหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราเดินจิตผิดแต่ที่แรกน่ตังจิตตรงนี้ถูกก่อนเนาะทีนี้เมื่อเราเข้าใจในลักษณะนี้ทั้งทั้งหมดจริงๆก็คือว่าวัตถุเหล่านี้มันมาได้ด้วยบุญมาได้ด้วยบุญสรุปก็คือมาได้ด้วยบุญของใคร มันก็มาได้ได้บุญของถ้าจริงๆก็คือบุญของพระพุทธเจ้าแล้วบุญของเรามีมีโอกาสได้มาครอบครองในส่วนที่ในเป็นพื้นบุญของพระพุทธเจ้านั่นแหละสรุปก็คือพระบรมพระบรมศาสตสดาสามาสมพุทรเจ้าเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นก่อนไงถ้าจะพูดถึงมุมนี้จริงๆเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าพระบรมศาสดาเนี่ยบําเพ็ญบรารมีมาทั้งหมดเนี่ย แปลว่าโลกใบนี้ทั้งใบนั้นพระองค์สละแล้วสละอีกสละแล้วสละอีกสละแล้วสละอี ก, อกไม่รู้กี่ล้านล้านลาน้ลานอัตภาพเชื่อไหมว่าเป็นแบบนั้น อ, ต, อต้องเอาตรงนี้ฐานนี้มาตั้งก่อนนะเมื่อฐานนี้มาตั้งเบดเสร็จแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นเหล่านี้จึงเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆเออตอนนี้หลักนี้แหละแล้วอยู่ต่อมาในสังสารวัฏเราก็ทําบุญอีกเหมือนกันแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับการที่เราจะได้โลกใบนี้เหมือนกัน แต่เพื่ออ้นพื้นบุญของเราเนี่ยมันน้อยน้อยไปหน่อยเราก็เลยได้มาครอบครองเนี่ยในจักรวาลในในจักรวาลใบนี้ได้นิดเดียวแต่เราก็ยึดแล้วว่าเป็นของเราพระศาสดาจึงบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่ดีเธออย่าเป็นอมิสธายาทของเราเลยจงเป็นธรรมทายาทของเราเถอะเข้าใจอย่างตัวเนี้ยสรุปแล้วว่ามันเป็นบุญของพระศาสดา พระศาสษษษษดาก็ได้มาได้บุญแล้วแล้วก็เป็นบุญของสัตว์ทั้งหมดด้วยแต่จริงๆแล้วที่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าของคนเดียวที่สุดจริงๆคือพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยยอมรับตรงนี้เสียแต่นี้จะได้ชัดทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมทั้งอะไรต่างๆดินฟ้าอากาศทั้งหมดเพชรนินจินดาทั้งหลายที่อยู่ในส า, ลากละจักรวาลทั้งสิ่นนี้คือของพระพุทธเจ้าแต่ท่านขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้ง เข้าจใจอย่างเดีนี้ต้องเชื่อก่อนนะว่าตรงนี้เป็นแบบนี้แต่มีเหตุผลไหมทานบรมีไงถ้าไม่เต็มเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าใครรู้จากทานบรมีอย่างที่ตาคตรู้คนนั้นจกไม่ให้ก่อนบริโภคเป็นไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ระดับพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็มีส่วนในการทำบุญมาแล้วก็มาครอบครองและทุกวันนี้ทุกวันนี้ ในเมื่อเรามายึดบุญของพระเจ้าอย่างเนี้ยชื่อว่าเราบาปไหมโอ้บาปไหมถ้ายึดด้วยตัณหามันก็บาปอยู่แล้วนะมันก็บาปอยู่แล้วเพราะตอนยึดมันเป็นโลภะห่วงมันเป็นโทสะใช่ไหมมัจฉริยะมันก็บาปกินอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่า มันบาปในพื้นที่บุญของเราในพื้นที่บุญของเราบนพื้นที่บุญของ พ, พระพุทธเจ้าเข้าใจยางเนี้ยบาปในพื้นที่บุญของเราในในบนพื้นที่บุญของ พ, พ, พระพุทธเจ้า fal. ต้องมองให้เห็นมันหลายชั้นเนีย่ยไหมชั้นจริงๆเนี่ยคือของ พ, พระพุทธเจ้า fal. จริงๆเราต้องยอมรับตรงนั้น ทีนี้เท่า ไ, ไหรเราถวายพระพุทธเจ้ากายและชีวิตถวายเราก็ยังเอากายและชีวิตของพระธเจ้ามาใช้อยู่เลยและเราบาปไหมมันบาปหรือไม่บาปมันอยู่ตรงที่ว่าให้บุญหรือให้บาปเกิดชัดอียังไงตอนเนี้ยมันอยู่ที่ให้บุญเกิดหรือให้บาปเกิดมุมเนี้ยเวลาพูดต้องขยายเดี๋ยวจะหาอามานิพูดเอ๊ะ หลักฐานอยู่ตรงไหนหลักฐานอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละเอามาต้องเชื่อมโยงให้ชัดพูดตรงนี้ต้องขยายถ้าใครจะพูดต่อช่วยเอาเทปตรงนี้ไปขยายด้วยเดี๋ยวจะพอให้อามาเนี่ยลําบากด้วยเอามาถึงไม่พูดมานานต่อ น, นานแล้วเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นโลกใบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องต้องครัวความเข้าใจต้องมองมองทั้งทั้งสะโพบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะมองทั้งวงกว้างแล้วขยายลงมาเล็กได้ แล้วขยายใหญ่ได้จริงๆต้องมองภาพให้ชัดแล้วจะรู้จักบุญของพระพุทธเจ้าถ้าหากมองไม่เห็นอย่างนี้พุทธคุณไม่เดินเดินไม่ชัดเดินแล้วก็ติดขัดมันต้องเห็นอย่างนี้อันนี้เห็นโดยคำสอนเห็นโดยคาสอนถ้าเข้าใจอย่างนี้เบียเศ็จแล้วตอนนี้จะได้ศรัทธานีนเชื่อและมั่นว่าเออ เราอยู่บนพื้นที่บุญของพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆและที่จริงๆเน่ยเราก็รู้เห็นเห็นคนที่ถวายหลักฐานก็ชัดก็ตามมาตามลําดับก็เยอะอามาพยายามไม่กล่าวไปถึงบุญของพระพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมต้องการกล่าวมาหลายที่ว่า อ, อพระเจ้าอาโศกถวายเนะไล่มาเนะีพระเจ้าเทวานามิยะดิสาพุทธใน่ไกษัตริย์ทุกๆพระองค์มาจนถึงพระเจ้าตา่างสินมาก็ไล่มาตามลำดับแต่เป้าหมายจริงๆคือ ของพระพุทธเจ้าจริงๆถามว่าถ้าคนเขาไม่ได้ทําบุญมาจะมีใครถวายไหมทำไมเท้าสก ก, ยก า, ายก เ, เมืองท่านถวายทำไมเท้ามหาพรมอ่ะร้อยพร้อยเมืองของท่านถวายฟันเขาสิเนรุทาเป็นยอดฉัตรถวายเป็นพุทธบูชาเขาทากันมาหมดแล้วมันเหลือพวกเรานี่แหละไปยึดของเล็กๆแล้วเป็นของเราของเราอยู่เนี่ย ใช่ไมเอามาคล้องคอแค่นี้ย <laughs> um ืดไม่เปยืดนี่มันเป็นบาปแต่จริงๆแล้วคือสมบัติของเริ่มชัดได้ยังแต่เนี้พอจะล่งฮะเอออย่างงั้นก็คอยช่เออคอยช่วนี่ยอมพิทยาอย่าอย่ายืมนาน แม้ต่อไปเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นอามิ t h ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราเป็นลูกเรามีสิทธิ์ใช้มรดกของท่านเรียมาย้ำมาตลอดไงแต่อย่าติดในสมบัติของเราเลยเราไม่ปราถนาเธอทั้งหลายเป็นอามิ t h สถตยาติเราปรารถนาเธอเป็นธรรมทายาติฉะนั้นพ่อไม่หวง คือพระเจ้าท่านไม่หวงหรอกเพราะเราเป็นลูกท่านใช้ได้เต็มที่แต่อย่าผ่านสมบัติพ่อใช่ไหม <c oughs> คืออย่าให้เอาอย่าเอาสมบัติพ่อเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อให้เกิดบาปดีไหมโยมตุม้ม <c oughs> กลับไปไปมองสมบัติทั้งหมดว่าเป็นของพระเจ้าจริงๆได้ด้วอย่างปร่งใจได้ด้วยนะใช่ไหม ย, <c oughs> ยังไม่ยอมโปร่งอีกขนาดโคตรขนาดนี้ เพราะเราเป็นทายาทเราจึงมีสิทธิ์ใช้สมบัติของพ่อเราใช้ได้เราไม่ได้ขมโมยหรอกเพราะเราเพราะเราเป็นอุบาสิกาไงเราใช้สมบัติพ่ออยู่ถ้าเราใช้ในฐานะที่ว่าเราเป็นลูกเนี่ยชื่นใจไหม เอ อ, เ อ, อคืออย่างนี้แต่เราต้องเอามาเปลี่ยนเป็นบุญเออไม่เป็นไรเอามาเปลี่ยนเป็นบุ ญ, าาบญพระเจ้าถึงบอกไงบอกว่าเมื่อได้สมบัติมาด้วยลําแข้งด้วยเลี้ยวแรงใช่ไหมด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความชอบธรรมได้มาโดยทมแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขสุขในที่นั้นสุขที่เป็นไปกุศลให้เป็นให้เป็นจารีตศีล เลี้ยงพ่อแม่บิดาให้เป็นสุขเลี้ยงบุตรภรรยาเบา่าไพ่ให้เป็นสุขเลี้ยงญาติมิตรให้เป็นสุขนี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาเอย่างโพกษะทรัพย์ข้อที่หนึ่งอามาต้องเอามากล่าวอีกห้าข้อไว้เนี่ยโอ้ยลำบากเลยตอนเนี้ยอที่จริงอามาไม่ได้เตรียมมาในพูดเนี่ยแล้วมีใครให้อามาพูดเรื่องทานนาะาถาไว้แล้วที่พอสดรอเนี่ย งั้นเก้าว้เดือนเมษามาจะขยายทั้งหมดดีกว่าใช่มเอาเดี๋ยวข้อเท็จจริงมันต้องอย่างนี้การศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องต้องเข้าใจในจริงๆนะว่าเราเป็นลูกแล้วเป็นลูกของพระเจ้าก็นี่ไม่เป็นไรทั้งที่เด็กล่า มันจะเป็นได้ไงเพราะว่าเรามีกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเราเป็นลูกแต่ให้ตํำหนักสนักในคุณของพระศาสดาอันนี้ไม่ใช่โดยนิตินัยใช่ไหมเออไม่ได้โดยกฎหมายตัวนี้ไม่ใช่กฎหมายบ้าไอ้บ้านเราครอบครองไว้อโดยกุศลกรรมอกคุศลกรรมนู่นเพราะเป็นนี้เป็นบุญของพระพุทธเจ้าเป็นผลบุญของพระศาสดา เพราะคนที่จะเข้าใจมุมนี้คือต้องสาวกของพระเจ้าสาวิกาของพระทเจ้าบาสโสบาสิกาของพระเจ้าจึงจะรู้บุญคุณของพ่อเพราะเรารู้พระทานบารมีของพระองค์ว่าคุมค้มคุ้มจิตใจคุ้มชีวิตเราอยู่ดูแลเราอยู่ฉะนั้นสมบัติของพ่อดูแลเราจริงๆคือของพระเจ้าตรง น, นี้โยมตุ้มเข้าใจชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าดูแลเราเลี้ยงดูเราเอามาถึงใช้แต่ก่อนมาใช้คําว่า เนี่ยพุทธเจ้าให้มาบาตรพุทธเจ้าให้มาเครื่องที่อยู่อาศัยยาพุทธเจ้าให้มาพื้นที่สถานที่ที่มาเดินไปทั้งหมดพุทธเจ้าให้มาเอามาก็จะคิดอย่างเนี้ยแต่คารวาะก็ต้องคิดแบบนี้เพราะจริงๆมุมเดียวกันแต่คนละฐานนะคนละฐานนะเพราะสมบัติทั้งหมดนั้น คือคารวะก็มีอาชีพคารวะพระก็มีอาชีพของพระใช่ไหมถ้าเป็นคารวะพระองค์ก็อนุญาตอาชีพอีกอย่างเห็นไหมที่ทำมิกระทบประโยชน์เนี่ยพระเจ้าก็อนุญาตอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชพระเจ้าก็อนุญาตอาชีพของนักบวชได้ปรีน่องได้เลี้ยวแรงได้ล้ำขาเหมือนกันอาก็ต้องใช้ปลีน่องเนี่ยที่ไม่เดินออกไปหาทรัพย์อาชีพนักบวชแต่ถ้ามาเดินออกจากอาชีพนี้มาก็ต้องไปทําเหมือน ต้องเดินระด้านั่นแหละต้องงอกๆๆไปเหมือนกันตอนนี้อมาก็งอกงอกงเหมือนกันนะตื่นขึ้นตอนเช้าเนี้ยก็ต้องถือบาทอุ้มบาทไปแต่มาก็ไปทํากิจในการที่ตามอริยวง์ใช่ไหมไปยืนไปยืนอยู่เฉยๆนั่นนะนะแหละนี่แหละพุระเจ้าก็ให้วิธีคิดวิธีเดินวิธีไข่ควรวิธีวิจัย แล้วคารวาพระองค์ก็บอกให้คิดบอกให้เดินบอกวิจัยว่าจะเป็นจารีตศีลยังไงบอกหมดไม่มีใครเราที่จะบอกได้ดีเท่ากับพระบรมศาสดาพระศาสดารักเราปรารถนาดีกับพวกเราใช่ไหมไม่เคยทอดทิ้งเราแต่เราต่างหากทอดทิ้งพระศาสดาเราเนี่ยทอดทิ้งพระบรมศาสดาเป็นระยะระยะระยะหนีพ่อแล้วก็หนีไม่รอด ใช่ไหมไม่รอดหรอกเราก็จะไม่รอดจากวัตถาง่านั้นต้องค้นอาศัยพ่อเท่านั้นเราถึงจะพ้นจากสังสารวัตเป็นต้นได้เพราะจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ ค, คือเวลาพระบรมศาสดาตอนที่ท่านเป็นจกักรพรรดิีราชปกครองทวีปทั้งสี่ท่านถวายท่านปราถนาสภัญยุตยา น, นั่นเห็นชัดเลยเวลาท่านยกพื้นแผ่นดินสละเพื่อบรเพินทร์เย ข, ขมานั่นแหละกี่ครั้งท่านใช้คําว่าบุญที่ทําให้ท่านได้เป็นจกักรพรรดิเนี่ยนับไม่ได้โอ้ นั่นแหละว่าจริงๆแล้วว่าจะเห็นชัดว่าพระบรมศา ส, สดาปกครองทวีปทั้งสี่ทวีปน้อยสองพันบริวารสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยเป็นใ ค, ใครสงสัยอะไรก็ถามเลยเนะเพราะเราต้องการอยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เข้าใจพระทานนะบรารมีของพระเจ้าเพื่อเราพูดถึงทานเนี่ยถ้าเราเข้าใจ เข้าใจบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วแต่นี้เราจะได้เข้าใจว่าเกิดจากบุญของพระพุทธเจ้าเดี๋ยพระพุทธเจ้าสละทิ้งพราสละทิ้งเนี่ยได้ก็สละได้ก็สละใช่ไหมพระศาสดาได้ฐานะาจาักรพัติราชมากี่กี่โกรครั้งกี่พันโกรธครั้งกี่ล้านโกรครั้งแล้วสรุปแล้วก็คือปกครองเนี่ยจักรวาลโลกทั้งหลายเนี่ยนะคือจักรวาลทั้งสี่ บริวารน้อยใหญ่สองพันวิญบริวารเนี่ยแล้วก็บําเพ็ญเนคขมาเฉยเลยก็แปลสลัใช่ไหมต้องน้อมถวายท่านปรารถนาสัพพยุตยานฉะนั้นทานบา ร, รมีท่านต้องทันให้เต็มพระทานบา ร, รมีต้องเต็มฉะนั้นเราถ้าเราจะเข้าใจคําว่าทานเนี่ยให้ชัดอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นเลยทีนี้โยมพิชยาก็ชัดแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมชัดเจนเลยว่าสมบัติของพระเจ้าจริงๆ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 ของพระศ า, าสดาโดยฐานะโดยความเป็นให้กินให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะให้ราคาโทรศาพมหามาฉาบติดไหมก็ไม่ควรใช่ไหมอา้าวแล้วทำไมคุณยังต้องใช้เครื่องประดับอยู่ก็เราเป็นเราเป็นทายาทเรามีสิทธิ์ใช้อา้าวแล้วคุณใช้ใชอยังไงก็ใช้เหมือนพระใช้บาทใช้จีวรเนี่ย เขาใช้ยังไงเขาเข้าสู่ขึ้นเดินขึ้นสู่เรือใหญ่คือปัจเจเวคขณะสุทธิคือการพิจารณาก่อนใช้ดีไหมโยมพิจยาปฏิสังขารโยนิโสเลยพิจารณาก่อนจึงบริโภคใช้สอยวัตถุชิ้นนั้นไม่ใช่เพื่อมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินใดๆเอาทำไมประดับแล้วเอาไม่ประดับแล้วมันเข้าสังคมเข้ายากก็เลยเข้าประดับดีไห แต่ไม่ใช่ให้กิเลสมามาทำกิจคิดพิจารณาแทนนะแล้วพิจารณาจริงๆว่าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าสู่ห้องของสังคมนี่พูดท้าใจโยมตุ้ม่พราะจริงๆอย่างเี้ยพอทนไหวใช่ไหมพอทนไหวก็คือสีนห้าไงก็เราแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นสู่ธรรมนาวานะคือ ปัจเจกเหขนาสุดที่นะไม่ใช่ไม่ขึ้นสู่ธรรมนาวาเลยตอนนี้เรายือนอยู่บนเราอยู่บนเกาะเล็กๆกะ่ะเกาะเล็กๆบนพื้นไทีของอามิต h ที่มีศีลศีลห้านั้นเราก็ยังอยู่บนเกาะได้แล้วไม่ต้องถูกทะเลเกลือทั้งหลายเนี่ยท่วมทับแล้วเข้าใจคําว่าทะเลเกลือไหมคือไม่จมอยู่กับอามิต h ทั้ทีเดียวเพราะเรายังมีศีลอยู่ เรามีสี่ห้างไงใช่ไหมแต่มันยังไม่ไม่ปลอดภัยเพราะมันปริมตอนนี้ได้ข่าวน้ําก็ขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมมันจะต่ํากว่าทะเลกี่เม็ดแล้วเนี่ยนี่ไม่ปลอดภัยจริงๆรใช่ไหมใช่ไหมที น, นี้ก็ขึ้นสู่นาวาสิที่ขึ้นสู่นาวาเสียตอนเนี้ยคือปัจจวเลขขนาดสุดทธิ เพราะตอนนี้เราได้ปฏิโมกข์ทั้งวอศีลแล้วใช่ไหมเดินได้คล่องหรือย่างยังไม่คล่องอีกทานก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเดินศีลก็ตะกุกตะกักอยู่เนี่ยเดินให้คล่องเสียแล้เนี่ยเราจะได้ขึ้นสู่นาวาแห่งการพิจารณาปัจจัยสี่จะได้ไม่ติดคล่องด้วยตัณหามานาะทิฐิใดๆแล้วมันได้ใส่ไปเพื่อไม่ใช่เอานาำวิสาขาใช้เครื่องประดับไหม<ช>แล้วนางอวดไหม<ช>นางไม่ได้ไปอวดนะแน่ นางใช้โดยฐานะว่านางมีทรัพย์อานางใช้ยังไงแล้วทําไมนางวิสาขาจึงใช้มรดกของพุทธิย่าเพราะนางเข้าใจอเองอย่างที่พูดนีไ่ไงจะเป็นบุญของนางส่วนหนึ่งใช่ไหมนางเป็นบุตรนี่เป็นทายาทของพระศ า, าสดานางก็มีสิทธิใช้อามิสสมรดกของพระองค์สิแต่นางไม่ได้ใช้ด้วยมีกลิ่นคาวของกิเลสมาบวบมาฟุ้งเหมือนชาวเราท่านทั้งหลายอันยังไงบ เด่นบอด่นแน่นอนเลยแน่นอนตรงนี้เ น, นีย อ่อคือพระพุทธเจ้าจะสอนไงว่าต่อมา้สังเกตุไหมที่บอกว่าดูก่อนชาวศากยะที่ใช้คาว่าเออเธอรักษาอุบสต์สินกันบ้างไหมเห็นไหมพุทธเจ้าจะนั่นแหละนันแปลว่าอะไรว่าเออบางคราวก็รักษาบางคราวก็ไม่รักษาทำไมเธอจึงประมาทเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งอย่างเงี้ยอันนี้เขาเขาฝึกไหมล่ะก็คือฝึกนั่นแหละคือการฝึกในการที่จะขัดเกลา ฝึกในการที่จะขัดเกลาวในการที่จะอบรมฉะนั้นการฝึกต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่การที่จะเจริญกุศลฉะนั้นในกรณีของการที่เขาฝึกในการที่จะเจริญกุศลเนี่ยเนยีก็หมายความบอกว่าเขาเริ่มใ้่ไหมเริ่มไม่ไม่กินข้าวเย็นไม่ใช้เครื่องประดับบางท่านกระถายขนาดเดินฝึกไปจนถึงศีลสิบ แต่งครั้งเลยนะใช่ไหมสิ้นเก้า <reinvent> ส right. ouais. ิ้นสิบกันเลยแหละฉะนั้นเขาก็เดินของเขาเหตุผลในกรณี่งการที่เดินเนี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะพระศาสดาบอกว่าวันพระเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งเนึ่ยสี่ครั้งใช่ไหมเนี่ยมีสี่ครั้งเนี่ยก็ต้องฝึกที่นอนที่นั่งใช่ไหมแล้วก็เครื่องประดับ นั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นการฝึกเพื่ออะไรเพื่อสิ่งดูการละเล่นทั้งหลายเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นที่ตั้งของความเพลิดเพลินความประมาาความสนุกสนานทั้งหลายถ้าไม่ฝึกแล้วแล้วใจเราก็จะไปติดเพราะจริงๆเราไม่ได้ไปพิจารณาบังคับกิเลสมันฉลาดจะตายทั้งกิเลสมันฉลาดนะกิเลสเนี่ยมันฉลาดตอนเนี้มาเรียนรู้พระธรรมร่วมกับเราไปด้วยไหม เรียบร้อยไหมเรียนรู้พระธรรมร่วมกับเราไปเรียบร้อยแล้วพอพอเราพอเราบอกบอกว่าไม่ใช่ของเรากิเลสมันก็บอกเออไม่ใช่ของเราที่นั้นแต่เราก็ทําบุญมาเรามีสิทธิ์ยึดเป็นของเราอยู่นี่ <Okay. S 1> กิเลสมันก็จะเริ่มเรียนรู้อย่างเงี้ยได้ไหมก็ตรงนี้นี่แหละบอกว่าโดยหลักการก็คือเราไม่ได้เจริญกุศลให้เกิดขึ้นในต่อเนื่อนึง ตรงนี้ก็คือถ้ า, ามองในลักษณะนี้ก็อย่างที่ประเด็นที่ทางไม่ชีถาท้าใช่ไหมถามเกี่ยวเรื่องว่าเออเออจะคิดยังไงนที่ประเด็นต่างๆนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่าคือด้วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาท่านได้มาก็สละได้มาก็สละได้มาก็สละก็คือท่านขายทิ้งท่านถึงบอกว่าขั้นเกลือกลวกอ้วนสมบัติเหล่านี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นอมิสตาญาตของเราเลยอันนี้แปลว่าชัดเลยนะ ว่าเรามีความอนุค้อแก่เธอทั้งหลายว่าจงเป็นธรรมธาย اد, จาจจะเป็นอมิตรสถายาจนั่นแปลว่าไม่หยึดติดแต่ตรงนี้นะเมื่อพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยมากระทําในลักษณะอย่างนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าเออเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระผู้มีภาคเจ้าใช่ไหมความใกล้ชิดพระรัตนะตรยัยก็ใกล้ชิดโดยฐานะทางกายหรือทางวาจาหรือทางใจขับเน้นตรงไหนเออนั่นแหละ ใจนั้นมีความใกล้ชิดมีความแนบแน่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็ ค, คือว่าถามใจตัวเองว่าเรารักพระพุทธเจ้าไหมรักไหมไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความรักที่ความปริความความรักที่เป็นมีความรักจริงๆรักที่เป็นศรัทธาแล้วเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนั่นแหละแล้วก็ไม่คลอนแค้นไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น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 ทั้งนา ม, มาทาที่เริ่มตั้งแต่พยานของพระเจ้าแต่เหมือนที่เขาถามบอกว่าพยานเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่ใช่ไหมยพยานเป็นพระเจ้าหรือคุณคุณเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรเป็นพระพุทธเจ้า อ, อที่เ็าตั้งประเด็นอะไรเป็นพระพุทธเจ้าฮะอะไรดี อรหัตตมัคคายานสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาถ้าสัพพัญยุตยานก็ได้แก่ตรงไหนไหนอยู่ตรงไหนนี่ไงใช่ไหมมหากริยาญาณสัมปยุตสี่ดวงเนี่ยใช่ไหมพยานในที่นั้นได้แก่มปัญญาปัญญาที่ไหนมหากริยาญาณสัมปยุตตรงนั้นใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไม่ใช่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 ทีนี้พย า, ยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะปัญญายานสัพพนุสตยานแล้วมหากริมหาปัญญาที่ในอรัถมรรมก็เป็นพระพุทธเจ้าไหม <Amen. S 1> เป็นก็เองนะสัพพนุสตยานพยานเป็นพุทธเจ้าใช่ไหและพยานในที่นั้นคือปัญญาใช่ไหมปัญญาเป็นขันอะไร <Amen. S 1> เป็นสังขารขันปัญญาเป็นสังขารขัน ทมที่สัมยุญกับพยานเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเป็นไม่เป็ น, เ, ปนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมยุญกับปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหม เ, เอาเป็นนะเอาแล้วแต่เนี้ยถ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งเดินออกจากห้องนี้ <laughs> ดีไหม <laughs> <laughs> ดีไม่ดี มีกําลังถามว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าพยานใช่ไหมถ้าพยานก็มีสองใช่ไหมตอนบรรลุครั้งแรกอนุตตรสมมตอนบรรลุเนี่ยไดอาราตมักะยาญที่ใต้ต้นพระสีมหมาโพก็ได้แก่ไหนปัญญานในอาราตมักใช่ไหมทำการสมุดเฉยทาปาบหานใช่ไหมแล้วต่อมาคุณทั้งปวงคือ อาสาธรณญานหกมีสัพพัญญุตยานเป็นต้นฉะนั้นสัพพัญญุตยานในที่นั้นได้แก่มหาปัญญาที่ในมหากริยาญาณสัมปัญญาใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าปัญญาที่ในมหากริยาญาณสัมบยุตเป็นพระพุทธเจ้าทำที่สัมบยุตกับมหากริยาญาณสัมบยุตเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไหมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ ก็เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วสัพพัญยตยานอาศัยอะไรเกิดอาศัยหาทยาวัตถุห า, าทยาวัตถุอาศัยอะไรเกิดมหาพูดสรุปแล้วมหาพูดและอุปาทยายรูกที่ประดับไปได้วยมหาปุริสลรขนาดสาสิบสองประการและนุพยาญชนะแปดสิบเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสัง ข, ข, ขาระขันที่รวมกันเป็นขันห้าเป็นพุทธเจ้ า, างั้นใช่หรือไม่โดยหลักจริงๆนะคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงตัวสัพพัญยุตยานสัพเนี่ยคําว่าสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นใช้คำท่านใช้คําว่าราชาอาคโตพระราชาสเสด็จเนี่ยแปลว่าองค์คาพยบตามมาด้วยไหมฉะนั้นเมื่อสัพพัญยุตยานไปนะที่ไหนสัพพัญยุตยาน กระทบกระแสขันของยอมกิ่งการตรวจสอบปุ๊บเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันที่เกิดร่วมกับสัมพยุตญาณ น, นั้นกระทบด้วยไหมผ่านหัตถยวัตถุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยหัตถยวัตถุนั้นเป็นไปด้วยใช่หรือไม่นั่นไงทั้งหมดของความเป็นไปของขันห้าของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เริ่มจะเข้าใจอย่างนี่แหละ ถามต่อสัพพัญญุตยา น, นะอะไรสร้างมาอะไรสร้างมาอารหัตตมัคคยานสร้างมาใช่ไหมเอออารหัตตมัคคยานนั่นแหละสร้างมาพระคุณทั้งหลาย สัพพัญยุตยานนาวรณายานอินทริยปโรปริยติยานอาสญาโนสญยญาณใช่อินริยอินตริยอินตริยปโรปริยติยานแล้วก็มหากรุณาสมาปฏิยานยมกะปฏิหาิยญาณเนี่ยอาสระญานพุทธญาณ14เวนิกรทำสิปเวสารัชญาสี่พระทศสลยานสิเป็นต้นใช่สรุปแล้วคือสมาบัตสองล้านสี่แสนโกฎสมาบัติ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 เดือนหกวันได้ตดรัสรู้นุตตราสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละให้มาและและอาราตมะกยานเนี่ยอะไรให้มาอะไรสร้างม า, า, าอะไรดีาาอะไรให้มา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 โดยความเป็นอนิจจานุปัสสนาทุคานุปัสสนาหน้าตานุปัสสนาเนี่ยนิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสคานุปัสสนาแสดงว่ากระทบเยอะมากเพราะปริมาณของวิปัสสนาญาณของพระบรมศาสดานั้นจะต้องมีอารมณ์ปัจจัยกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมหาวิปัสสนาญาณเหล่านั้นแหละสร้างมาสร้างอารัฐมรรค จึงไม่ใช่อราธมัคที่ธรรมดาอย่างภาษาวกหรืออาราธมักธรรมดาอย่างพระปเจ ก, รออรกพรพุทธเจ้าแล้วแปลว่าพิเศษมากกว่าไห ม, ม ท, ทีนี้หมายปัตนาญาณทั้งหลายเนี่ยอะไรสร้างมาสมาบัตไงสมาบัตเนี่ยไหมโอ้สมาบัต น, น, นั่นแหละสมาบัตทั้งแปดนั่นแหละ ทั้งรูปประชานะรูปประชานทั้งหลายมากไหมฉะนั้นสมาบัติของพระบระมาศ า, าสดาเนี่ยแม้แค่กสินเนี่ยนะสีทุกสีเนี่ยพระองค์นั้ น, เ, นเอาเป็นที่เข้าอยู่สมาบัติได้หมดนีน่คือพระเจ้าอ่ะอย่างเราขอสักสีเหลืองสักสีก็ไม่ได้ใช่ไหมที่จะเป็นที่ตั้งของอั ป, ปนาสมาธิเนี่ยคือเราไม่สามารถจะเพาะเอาสีเหลืองเนี่ยผลิตโรงงานบุญที่เป็นระดับอัปนาให้ตั้งได้ ใช่ไหมจากานุสติของเราเนี่ยจากาบวกอนุสติเนี่ยผลิตกุศลเบามากเมื่อวานไปเปิดโรงงานผลิตกุศลแล้วเม็ดบุญมากมไหอต้องถามลองให้เล่าหน่อยเล่าเม็ดบุญหน่อยที่มีประมาณห่วงบุญห่วงกุศลเนี่ยใช่ไหมลองเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยสิ ใช่ไหมเอาไปยังไงเล่าอ๋อเดี๋ยว